พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดนธานีแสดงธรรมในวันที่เจมกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าได้มาโดยธรรมแบ่งไปโดยธรรมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2560 เมื่อวานหลวงพ่อได้ให้พระท่านอ่านคอร์ลำของท่านคุณเปลวสีเงินเกี่ยวกับเจดีย์ขององค์หลวงตาเมื่อวานนี่ก็คณะกรรมการลงไปไประชุมอยู่ที่ศูนย์พยาบาลของทุนกหมมพไหญิงประชุมกันคณะกรรมการเกี่ยวกับสร้างเจดีย์หลวงพ่อก็มีแต่ รับทราบรับฟังเดี๋ยวเราจะติดตามอีกว่าเสาเข็มที่จะลงไปนั้นะจะเป็นเสาสั้นยาวขนาดไหนเป็นเงินเท่าไรให้พวกเราคณะทาญาตโยมลูกหลานที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเตรียมเตรียมสะตงสะตังไว้นะพวกเราลูกหลานทั้งหลายเมื่อจะสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาหลงลาก รากฐานทีแรกเหมือนกับเราลงไปยืนอยู่ใต้แผ่นดินประ น, นมมือแล้วก็ให้ลงตานั่งอยู่บนศีรษะของพวกเราเพวกเราในฐานะลูกหลานคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันอสองสามครอบครัวต่อหนึ่งต้นก็ได้หรือสี่ห้าครอบครัวละหลายสิบต้นก็ได้เพราะมันเป็นพันต้นนะมันมากอยู่นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจ้งเขาให้ทราบ คณะกรรมการประชุมกันแล้วละ่ะแต่ยังไม่ในทราบในรา ย, รยละเอียดนะแต่เสาเข็มนะั้นแยกออกจากอาคารพวกเราจะตอกทางวัดหรือว่าทางคณะกรรมการจะจัดการตอกเสาเข็มเองเริ่มแล้วนะที่เ้นะเจดีของหลวงตาเนะี่ยหกปีนะลูกหลานนะจะเข้าปีจะเข้าปีที่7แล้ว ถ้าเด็กเกิดใหม่ก็เข้าโรงเรียนเข้าประถมล่ะเจดีของหลวงตายังลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามากเป็นอย่างนี้ล่ะนานาจิตตนานานาทัศนะใครๆรก็เจตนาดีด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่บัด น, นี้จะหลอล้อมให้เป็นแนวแถวเดียวกันทําความเข้าใจกันอันนี้ก็หลวงพ่อได้อ่านคอลำของ ที่ท่านอยู่บวงนอกเหมือนกับท่านอยู่ข้างเวทีลักษณะอย่างนั้นท่านก็ประมวลประเมินประมวลมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่ทลวงพ่อได้ฟังแล้วก็ดีเป็นความคิดที่ดีเป็นเป็นผู้เจต น, นาดีหวังดีที่อยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะ แต่ในช่วงนี้ในวัดของเราก็การดำเนินงานเกี่ยวกับกาแพงก็ทำไปเรื่อยๆนะค่ะนักทายาทโยมลูกหลานยังทำอยู่ค่าใช้จ่ายก็มีไล่เรียงมาตามลำดับลำดับนั่นแหละ <c oughs> การทำงานขนาดนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปยังไงได้ยังไงแต่ก็ต้องมี ะจายไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกันที่เราได้รับปากรับคำไว้วัดของเรานะ เ, าเมื่อก่อนพันษาแต่น้ำยังไม่มาเราก็ได้คิดสร้างศาลาให้กับวัดสองสามวัดมีวัดลุบเหลาบ้านวังแค่วัดท่านเรืองท่านพระอาจารย์เรืองแล้วกพันจันตเวีบท่านปฏบ แล้วคำว่าท่านเจ้ิดจากวัดนงบัวลําพูเราก็ขึ้นโครงหลังคาล้วแต่หลังหนึ่งเกือบเสร็จแล้วหลบเราเกือบเสร็จแล้วะเปรียบว่าเกือบร้อยเปอเซ็นแล้วหลังนี้แต่อีกสองหลังมุงหลังคาแล้วก็เราก็ให้แล้ะรางน้ําไปทั้งสามทั้งสามหลังทั้งสามหลังหลังน้ำเสร็เต็มเลทแต่ก็แพงนะ ลางน้ำํำเราก็ทําให้แล้วแต่ยพอทํารางรางน้ําให้แล้วแต่เนี่ยยังไม่มีถังน้ำเนีย่ยทำไงฮเราก็เลยสั่งทางน้ําเข้ามาเมื่อวานนะพวกเราเห็นไหมที่ออกมามาเห็นท่อเป็นท่อทอ่ท่อนะเป็นท่อปูนซีเมนต์ภาวัตศูนย์กลางสองเมตรห้าสิบนะเราก็เนี่ยเราเอาไปใส่ตามวัดเนี่ยนะเขามาพักที่วัดของเราซะก่อนจากนั้นเขาเป็นทํา ถังละห้าหมื่นนะลูกหลานนะถังละห้าหมื่นให้ให้ให้วัดละสองถังหลบเราสองถังสมประสงค์ท่านปฏิบสองถังท่านเจิดสองถังรวมกันแล้วก็เป็นถังละห้าหมื่นก็เป็นสามแสนนะีอันนี้เราก็ได้วัดคองเรานะก็ได้จ่ายออกไปพอเราได้ ทำน้ำมันจําเป็นเราจะไปใช้แต่น้ําขวดมันก็ไม่ได้มันต้องใช้น้ําฝนในถิ่นของเราอยู่ในป่าโรงพงไพ่ห่างไกลจากตัวเมืองอมลภาวะเป็นพิษออผกน้ํากรดพวกท่อไอเสียรถยนต์มันก็ไม่มีมันหา่างเพราะฉะนั้นเราจึงใช้น้ําฝนเป็นน้ำํำดื่มได้ฮะ แต่เราก็ต้องกรองให้ดีใช้ถังเนี่ยแหละวัดป่าลักษณะอย่างนั้นต้องมีทังน้ําเป็นน้ําฝนดื่มแต่เขาเมื่อวานพร้อมกันก็บทางโรงเรียนบ้านตาดที่บ้านพ่อของหลวงพ่อบ้านหลวงตาที่ท่านสร้างอาคารเรียนมาหลายหลังที่อาคารประกโรงเรียนประชาบ้านแต่หลวงตาล่วงรับดับขันไปในโครง สุดท้ายเนี่ยก็นลูกหลานก็บอกอูโรงเรียนรู้สึกซ้ำลุดสีผกสีผกอะไรป้ายโรงเรียนก็เป็นป้ายเก่าแก่ยังไม่ทันสมัยรุ่นใหม่ เ, เขาเขามาขอกระหลงพ่อหลงพ่ออันนี้คือบ้านพ่อบ้านปู่ของเรา เ, เราก็ไปฉันอาหารกับบิณฑบาตฉันอาหารกับหมู่บ้าน ตาดเป็นเวลาถึง14ปีแต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้เลี้ยงเราอันนี้เราก็กินพอน่าจะพอเป็นไปได้ลุงพอ่อลงพ่อก็ไนะ้่ะได้เกียรติจะตุก ป, ปัจจัยออกไปเมื่อวานเนี่ยมอบให้ไปอีกนะ 600,000 จะรับทาป้ายโรงเรียนบ้างบูรณะซ่อมแซมของโรงเรียนบ้างที่เขามาขอแต่ยังไม่พอนะอจำเนื้คือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหกแสนนะแต่ที่จะทนทอดผ้าป่าอีกเขาอยากจะได้ประมาณหนึ่งล้านนี่แหละอันนี้คื อ, คอปัจจุปจจัยในวัดของเรานะที่หลวงพ่อพูดเล่ากล่าวให้ลูกหลานได้ฟังนะไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะไปทำการทำงานที่ไหนก็เป็นปัจจัยของคณะสัทธา ญ, ญาติโจมนะเอามาถวายคนละมากละน้อย มาเป็นของวัดซ่อมวัดของเราก็ซ่อมอย่างซ่อมก๊อแพงซ่อมจะพานเราก็ทําแล้วก็แบ่งให้วัดที่จําเป็นด้วยอย่างที่ว่ากระทางส่วนราชการที่จําเป็นเราก็มองดูเราก็แบ่งสันปันส่วนไปอันนี้คือปัจจัยสี่เราได้มาแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธทำ ให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าากว่าบางคนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกเอาทำไมปัจจัยของสงฆ์ทำไมจึงเอาไปให้โยมให้สงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณเพราะเป็นเงินของสงฆ์ ลูกหลานบางคนรุ่นเก่านะัทยครูบาอาจารย์ท่านก็บางองค์ท่านก็ทวงติงมาแต่ลุงพ่อเนี่ยเชื่อในธรรมคำสอนขององค์หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวบอกว่ า, เ, าเมื่อเราได้มาเร่มาจากใครเร่มาจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่เขามาถวายในเมื่อเราเห็นว่าชาวบ้านเขา เดือดร้อนเราคืนให้เขานะมันจะผิดที่ตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่ยอมแบ่งให้ชาวบ้านมันผิดมันผิดเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ยอมแบ่งให้ชาวบ้านเพราะเม็ดเงินของสงเอามาใช้ในสงแสดงว่าสงเห็นแก่ตัวเกินไปสงเห็นแก่ตัวสงไม่ควรจะมาอยู่ในชุมชนของเขาพอได้มาแล้วไม่ยอมแบ่งให้ครับกับใคร มีแต่กินคนเดียวออพอได้มาแล้วก็กินคนเดียวเหมือนกับไม่มองไม่มองเห็นใครแต่ตามไม่จริงเงินที่ได้มาจะตุปัจจัยที่ได้มาได้มาจากพี่น้องประชาชนเขาถวายมาคนละมากควรละน้อยในเมื่อเขาเดือดร้อนวัดวาศาสานาก็ต้องควรจะแบ่งปันไปให้เขาสาธารณประโยชน์โรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ อ, อ, อันไหนที่เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชนเราก็ควรจะแบ่งให้เขาแต่อย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนอันนี้หลวงตาท่านบอกอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้ยึดแนวแถวปฏิปทาแล้วว่าแนวความคิดของหลวงตาเพราะหลวงพ่อเห็นด้วยที่ได้สิ่งของมาแต่ได้จะตุปัจจัยมาเราจะมาเก็บงำไว้ไม่มองเห็นใครเลยไม่น่าจะถูกในหลักธรรมคำสอนท่านก็บอกว่า แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมนเนรไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียวที่ได้สิ่งของมาแล้วก็แบ่งปันสันปันส่วนมองหน้ามองหลังองหลงตาท่านเป็นอย่างั้นนะที่สอนลูกศิษย์ลูกหาหลวงปูล่ลาหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าถ้าคนขี้โกรธเนี่ย คนขี้โกรธตั้งยังไงก็ยังอยู่ด้วยกันถ้ามีเป็นผู้เสียสละแต่เป็นคนขี้ตนีทีเนียเน้ยวน่เราอยู่ด้วยไม่ได้หลวงตามหาบัวนะหลวงปู่ล่าถ้าคนขี้ตนีทีเนียเน้ยวน่อยไ ม, ไม่รู้จักแบ่งปันให้กับใครเละเราอยู่ด้วยไม่ได้ น, นพวกเราฟังเอาไว้นะคนต้องมีการเสียสละต้องมีการชเฉลือเผื่อแผ่กันแต่ก็อย่าไปใจใหญ่จนเกินไป เขาว่าใจใหญ่คํำนี้คล้ายๆกว่าได้มาแล้วเ อ, อไม่รู้จักเก็บแล้วเพอๆยังไปขอคนอื่นให้คนอื่นอีกเอ อ, อันนั้นมันไม่ถูกทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่เมื่อเขาให้มาออโดยเป็นธรรมเราก็รู้จักเก็บออพอเก็บแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้อย่าให้เขาเดือดร้อนพอได้มาแล้วก็โยนให้คนอื่นหมดแล้วก็ขอจากเขาอีก เ, ออเขาเขาไม่รู้จะทำยังไง เพราะครูบายจานของตอนเองเขาก็ขนไมาอีกขนไมาอีกก็โยนให้คนอื่นไปอีกแล้วก็ขอจากเขาอีกน่อันนั้นไม่ถูกอันนั้นเดือดร้อนถ้าเราให้ใครเราก็ต้องบอกว่าพวกถูเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเดือดร้อนนะอที่เราให้ไปเนี่ยให้ให้โดยเป็นธรรมเราได้มาโดยเป็นธรรมได้ปัจจัยได้มาโดยเป็นธรรมเราต้องแบ่งเฉลื่ยเผื่อแผ่ที่ตรงไหนที่ <c oughs> มันขาดตกบกพร่องอยู่ที่จะช่วยเหลือได้เราก็ต้องช่วยเหลืออันนี้แหละคือปัจจัยสมันเป็นเครื่องอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นแหละถ้าเราไม่รู้จักแบ่งไม่รู้จักปันโลกทั้งโล ก, กเดือดร้อนนะถ้าเราจะแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนพอประมาณผลให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนให้เป็นธรรมทำใจให้เป็นธรรมการทำคานี่คืออะไร คือไม่ให้ใครเดือดร้อนอยู่ในหลักเหตุผลธรรมะธรรมะคํานี้นะไม่ใช่อื่นไกลนะศรัทธาญาติโยมคือหลักเหตุผลออันไหนคือถูกต้องอันไหนคือเป็นธรรมออันไหนคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมถ้าว่าสิ่งไหนก็ตามเอถ้ามันไปสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งอันนั้นแปลว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่ธรรม ว่าธรรมะคำนั่นก็คือหลักเหตุผลการอยู่ด้วยกันมากน้อยอยู่ได้หลักเหตุผลเฉลือเพื่อแพร่กันมีความอบอ้อมอารีกันเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตาอารีต่อกันแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกันทางว่าพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยธรรมการอยู่มากน้อยก็ร่มเย็นเป็นถ้าอยู่ด้วยกิเลสราคาโทสะโมหะ จะเดือดร้อนพระองค์ขอให้พวกเราทุกๆคนนะจะเป็นครอบครัวก็ได้สามีภรรยาก็ตามวัดวาศาสนาก็ตามการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วต้องร ะ, ระมัดระวังคำพูดการเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าว่าพวกเราอยู่คนเดียวเออไม่ว่ากันละอยู่คนเดียว เ, ออเราจะทำยังไงอยู่ก็ได้คนเดียว แต่ถ้าสององค์ขึ้นไปสองขนขึ้นไปแล้วต้องระวังนะว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรกับเพื่อนกับฝูงให้ระวังวาจานะวาจานี่สำคัญถ้าสอนไปในทางที่ถูกต้องกับเป็นธรรมดีถูกต้องถ้าพูดไปในทางที่ผิดมันก็ผิดนะในเมื่อมันผิดแล้วเนะ่ยเสียหายเสียหายหมู่พวกเพื่อนแตกพักแตกพวกเพราะวาจาเนี่ยก็มีมากต่อมาก มีการสร้างสรรค์ด้วยวาจานี่ก็มากต่อมากเีงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องวาจานี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอีกเหมือนกันนะให้ร ะ, ะมัดระวังแต่ถึงยังไงแต่พูดไปแล้วเนะี่ยบางคนก็ถึงยังไงก็ไม่อยากจะเข้าใจดันทุลังอยู่จังันนะแต่พูดวมันไม่ทุกดูทุลับมันไม่ถูกแ้่ก้มมองแต่มุมเดียวมองมุมใกล้ๆมุมรวมไกลๆไม่มอง มองถึงประวัติศาสตร์มาด้วยสิประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรเ่มาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่แต่มองอยู่ในปัจจุบันหมองปัจจุบันคือบางคนตาสั้นนั่นเองสายตาสั้นมองไม่เห็นไกลถ้ามองเห็นไกลก็ต้องมองเป็นประวัติศาสตร์อย่างพระพุทธศาสนานห่อยู่ประเทศอินเดียเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าอุบัติที่ไหนมีพระสาวกสมัยนั้นเป็นยังไง ไมยุคต้นเป็นยังไงยุคสองไปยังไงยุคยุคสามไปยังไงจนยุคจนประเทศอินเดียไม่มีพระเป็นยังไงเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าเราศึกษาดูแล้วพิเศษแต่คนรู้ก็ไม่อยากจะรู้ทั้งที่รู้รู้ก็ไม่ทําควายไม่จะจะให้รู้นอันนั้นกระสุดวิสัยนะอันนั้นแปลว่าไม่เป็นธรรมจิตใจไม่เป็นธรรมถ้าใจเจ็ดจิตใจเป็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่แหละ รื่อหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะการอยู่ด้วยกันต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผลรักเมตตากันสน เ, เขาเป็นใครเราเป็นใครถ้ามีความเมตตาต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันผาสุกนะแต่เราเมตตาเขาจริงอยู่แต่เขาไม่เมตตาเรานะอันนั้นมันก็ต้องช่วยกันคิดอย่างเหมือนกันจะปกป้องยังไง เ, <ม>เหมือนกับยุงจะมากัดเรา เออเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่ตบยุงเราไม่ฆ่า ย, ยุงแต่ไม่ยุงมากินเราละ่ะเราจะทำยังไงเราจะปกป้องอยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีผ้าหม่มเออแล้วก็ยากันยุงแล้วก็มีมุ้งลวดนี่แหละมันต้องมีมันมีต้องของปกป้องป้องกันเออป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเรานี่อันนี้ก็เหมือนกันเ ร, เราอยู่ในโลกเนี่ยเออเราจะไม่ใส่ใจเลย ผลในสุดเราปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็ทำให้อยู่ไม่พาสุกเหมือนกันนะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดอีกเหมือนกันเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันและการอยู่รวมโลกกั น, นต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบขอบใช้ความอดทนในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ใช้หลายๆอย่างเหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อย่างหลงพ่อเป็นพระกรรมฐานเอจะกระโดดโลดเต้นเออย่างอื่นก็ยังไงก็ต้องอยู่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรม อ, อยู่อย่างพระออยู่อย่างผู้มีธรรมอย่างอย่างู่อย่างผู้มีเหตุมีผลให้รักเมตตาสามัคคีกันเอาไว้นะลูกหลานนะไม่ถึงร้อยปีจะต่างคนต่างตายต่างคนต่างไปแล้วทาว่าเรา ทะเลาะวอกแยงกันมีแต่ทุกข์ใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พวกเร า, เารักเมตตากันแต่ปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องปกป้องดูแลช่วยกันดูอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยใจของเราก็เถอะขนาดปกใจของเราก็ยังคิดไปในทางที่ไม่ถูกพราะพุทธเจ้าท่านยังบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิในการคิดไม่ถูกในเมื่อคิดไม่ถูกมันทําออกไปมันก็ไม่ถูกพูดออกไปก็ไม่ถูกนะ เ, เพราะฉะนั้นระวัง ระวังกระทั่งความคิดนะคิดความคิดตัวเองแล้วก็ระวังความคิดของคนอื่นอีกต่างหาก เ, เมื่อเมื่อเขาคิดไม่ดเีเราจะระวังยังไงสิ่งเหล่านั้นก็ต้องระวิงระวังอีกเหมือนกันแต่การระวังคำนี้เนี่ยมันมีมากหลากหลายที่ต้องต้องระวยงระวังต้องระมัดระวัง นั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยู่นักสถานที่ดใดให้สำรวมระวังกายว่าจาใจของตนเองถ้าพวกเราสำรวมกายว่าจาใจของตนเองนั่นแหะอยู่นสถานที่ใดอย่างน้อยกับตนเองเป็นสุขก่อนถ้าว่าตัวเองก็คิดปรุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้เหมือนกันนะเออเหลืองนี่แหละจิตใจของเราสําคัญ ในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากในหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจเป็นมิจฉาทิฏฐิทําออกไปกับเป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดออกไปกับเป็นมิจฉาทิฐิแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนอื่นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่เมื่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะเขามาเบียดเบียนเรานะเราก็เดือดร้อนแต่เอาเถอะ เราก็สำบรวมระวังตัวของเราเองเองนั่นแหละคือสํารวมใจของเราสรุปแล้วคืออย่ามาอย่ามาเกิดต่ที่ที่สุดพระพุทธเจ้าอย่ามาเกิดถ้าเราเห็นสิ่งไหนก็าตามที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เราน้อมหาตัวเองอสิ่งนั้นถ้าว่าเราเกิดมาพบหน้ชาดนามันก็ต้องเจออีกแบบนี่ เกิดมาพบนิชาตนี่ก็ว่าร่มเย็นเป็นสุขพอสมควรแล้วแต่ว่าบางพบบางชาติต้าเกิดมาเนจะขนาดไหนอีกตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษามาถ้าหาว่ามันเกิดขึ้นมายุคอย่างนั้นคือมัน ม, มันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยโอ้หน้าเบื่อในการเกิดแต่ขนาดเห็นพวกศัสสาราสิงห์ที่เขามีอะไรให้ฟัง สัตวโลกนะเราเห็นเพียงแค่นั้นเรากโอ้โหสรดโดทูสัตวท์ตวทั้งหลายมันเบียดเบียนกันขนาดนั้นเ่ยวเหลอนะนี่แหละมนุษย์มนาเขาเหมือนกันนะลูกลานเะสรุปแล้วก็คือให้ตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดกนั่นแหละเป็นมรรคมรสุขของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่าน สอนภาษาวกสาว ก, สาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ท่านก็ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันนั่นแหละความประมาทท่านให้มีแต่ว่าประมาทนอกประมาทในประมาทนอกก็คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ชีวิตประจําวั น, นการเป็นอยู่ในโลกประมาทประมาทประมาทในก็คือไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้ยึดติด อขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ให้ยังไม่คิดว่าให้เป็นตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแยกกันแน่แน่กายกับใจออันนี้ก็ให้มองมาหาตัวตัวใจอีกเหมือนกันนี่แหละคําว่าประมาทคํานี่นะมันหลายขั้นตอนนะลูกหลานคณะทาญาติโยมนะอัตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนั่นทะีนี้นะ